รู้จักกับพยาบาลคนหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัม์ชื่อเกื้อจิตแขรมเป็นพยาบาลที่น่าสนใจมีประสบการณ์เกี่ยวกับคนไข้แล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาของคนไข้หลายคนโดยที่ไม่ได้ใช้ยาหรือว่าการทำหัตถการแล้วว่าวันหนึ่งเจอคนไข้เป็นเด็กผู้ชายอายุขวบ เด็กคนนี้มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลเริ่มมีอาการตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแนละ้วปวดมาเรื่อยอาการปวดหัวรุนแรงแบบนี้นี่มาถึงหมอหมอก็ต้องสแกนสแกนสมองว่าจะมีเนื้องอกอะไรไหมปรากฏไม่มีอะไรหมอก็เลยแนะว่านะ่คุณไปหาจิตแพทย์เปิดพยาบาลที่เขา ดูแลเคสนี้เขาก็่วงว่าเด็กเนี่ยถ้าไปเจอจิตแพทย์เดี๋ยวจิตแพทย์ให้ยาให้ยานอนหลับหรือให้ยาระงับประสาทเด็กก็คงจะเบลอนะบางทีอาจจะนั่งๆก็น้ำลายไหล ย, หยืดก็เลยนะเรียกเกืดอจิตเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนมาช่วยดูช่วยมาดูหน่อยแกก็ไปอที่เตียงคนไข้ก็ไปเจอแม่เนี่ยแม่นี่ก็ ร้อนใจมากถามว่าเนี่ยลูกฉันจะตายหรือเปล่านะเกนะิดจิตก็ตอไม่ตายหรอกน ะ, ะชีพจรก็ยังก็ยังปกตินะนะความแดงก็ปกติไม่ตายหรอกแล้วลูกฉันจะเป็นบ้าไหมทำไมจะเป็นบ้าล่ะเราก็หมอให้ไปหาจิตแพทย์ด้วยจิตแกก็ได้โอกาสคุยกับลูกคุยกับแม่ กับแม่วันเนี่ยมีลูกกี่คนมีลูกสี่คนนะคนหนึ่งอยู่ ม, มห้าเนเรียนเก่งมากเป็นผู้หญิงคนที่สองเป็นผู้หญิงเหมือนกันดูมสามเรียนเก่งลูกคนนี้มันเป็นลูกคนที่สามคนที่สี่ก็อยู่ปสองอยแปดขวบเกิอจิก็ถามเลยว่า รักลูกเท่ากันไหมรักเท่ากันอ่าเราด่าเท่ากันหรือเปล่าโอ้ยไอคนนี้นฉันด่าเป็นประจำเนี่ยนะมันขี้ดือ้อมันหัวรั้นนะด่าเป็นประจำเลยเรียนก็ไม่ดีนะอ้าวทำไมอ่บอกว่ารักเท่ากั น, นแต่ทำไมด่าคนนี้มากแล้วก็จีแกก็ถามต่อไปเนี่ยแล้วอ่อ คุณแม่เนี่ยมีพี่น้องกี่คนมีก็ต่อมีพี่น้องห้าคนแล้วพ่อแม่ของคุณแม่นี่รักลูกเท่ากันไหมไม่รักหรอกรักไม่เท่ากันชั้นเนี่ยถูกด่ามากเลยถูกแม่พ่อแม่ด่าเป็นประจำนะแกพูดจบแกพูดแกก็ร้องเหมือนกับน้ําตาซึมๆนะเพราะรู้สึกว่าแม่พ่อแม่ไม่ได้รักตัวเองเท่าไหร่ไม่ได้รักตัวเองเหมือนกับ พี่น้องเกือจิกแกก็ขอโทษนะที่ไปถามคำถามที่มันกระทบใจในตัวแม่แกก็พูดเองนะว่าโอไอ้ที่ฉันทำกับลูกชายนี่มันเหมือนกับที่พ่อแม่นี่ทำกับฉันเลยแกก็เริ่มได้คิดแล้วเ ก, กือติก็ซักต่อนะนะว่าเวลา ไปโรงเรียนนี่เป็นยังไงเด็กคนนี้เป็นยังไงแม่ของเด็กก็เล่าอ่าโอ้ยเวลาไปโรงเรียนนี่ครูก็ดา่าไอ้ควายเรียนสู้พี่เรียนสู้น้องไม่ได้เลยคือเจ๋อก็บอกว่าเนี่ยมียาวิเศษนะที่จะช่วยลูกได้สนใจไหมแแม่ก็สนใจขึ้นมายาวิเศษคือยาอะไรคือเจ๋ก็บอกว่าเนี่ย ให้บอกรักลูกนะแล้วก็กอดลูกด้วยแม่ก็ตึงนะเพราะว่าไม่เคยทําแล้วก็รู้สึกรู้สึกปรำมารู้สึกเขินนะที่จะบอกบอกรักลูกชายคนนี้แล้วก็กอดลูกชายเนะีเพื่อที่ก็ยังเยนี่ยมันต้องทํำนะเนี่ยในเวลานะแล้วกลับไปที่บ้านนะไปบอกตาบอกยายนะ ก็จนะทำเหมือนกันแล้วพรุ่งนี้เนี่ยนะเด็กเขาจะลโรล ง, งพยาบาลก็จะ discharge แล้วนะนะให้ออกจากโรงพยาบาลนะก็อบอกตายยายนะเวลาเจอหลานก็ทักเลยนะโอ้ยนะอยากเจออยากเห็นหน้าหลานจังเลยนะดีใจที่กลับมาเนะีอีกอย่างหนึ่งนะให้ไปบอกครูนะที่โรงเรียนนะ่ะ ว่าที่หลังห้ามนะห้ามด่าลูกชายว่าไอ้ควายนะนะให้พูดดีๆกับเขานะแม่เนี่แกก็เริ่มนะก็เริ่มได้คิดขึ้นมาแล้วแกก็อาจจเป็นเพราะศรัทธานะศรัทธาในตัวพยาบาลแล้วคงจะรู้ว่ามันไม่มีไม่มีทางอื่นแล้วนะก็เลยก็เลยทําตามที่ อาพยาบาลแนะนำปรากฏว่าหลังจากที่กลับไปที่บ้านนะนเด็กก็อาการปวดหัวก็ทุเลาลงและตอนหลังก็นะไม่มีอาการปวดหัวเลยนะผ่านไปแปดเก้าปีมาเจอเด็กอีกครั้งเป็นเป็นหนุ่มเลยนะแข็งแรงหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอาการปวดหัวเนี่ยที่ ยืดเยอะหรือหลังมาหลายปีมันก็หายไปเลยอันนี้มันแสดงเห็นเลยนะว่าในที่อาการที่เด็กเป็นเนี่ยมันเป็นเพราะขาดความรักถูกด่าถูกแม่ด่าว่าเป็นประจําไปที่ไหนก็เขาก็ชี้หน้าว่าไอ้โง่ไอ้ควายคนที่เขเอือมระอาในตอนเด็กเนี่ยเป็นคนดื้อนะคนก็ไม่ค่อยชอบยิงมาเปรียบเทียบก็ พี่กับน้องโอ้ยพี่ก็เรียนเก่งทั้งสองคนน้องก็เรียนเก่งนะไอคนที่สานี่มันเรียนไม่ได้เรื่องมันยิ่งเกิดการเปรียบเทียบ เ, เ, เด็กก็ยิ่งรู้สึกน้อยใจเดี๋ยวนี้เด็กอุ้ยแค่เจ็ดขวบนีนก็เครียดแล้วนะนะเครียดเพราะมีความรู้สึกน้อยใจหรือว่าขาดความรักคามออกความอดอุบุญเดี๋ยวนี้เด็กนี่เป็นเร็วนะเจ็ดขวบนี่ก็ อาการก็รุนแรงขนาดปวดหัวยิ่งสะสมเลือดลังนี่ก็ปวดจนทนไม่ไหวให้หมอนี่ก็ทีแรกก็คิดว่าเนี่ยเป็นเพราะเนื้ององอันนี้ก็เห็นวิธีการแก้ปัญหาของหมอนะก็คือถ้าสแกนหาเนื้องอกไม่เจอก็สงสัยเป็นโรคจิตต้องส่งไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็คงจะให้แต่ยานะแต่ว่า เพื่อจิตนี่แกเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะแกทําแผนกเรียกว่าสมาธิบําบัดอยู่แผนกสมาธิบําบัดนะคอยช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของคนป่วยแต่กรณีนี้เนี่ยมันไม่ต้องไปไปทํากับคนป่วยนะมันต้องไปทํากับกับญาติแม่ยานี่มันต้องไปอนะคนที่จะให้ได้ดีก็คือแม่ บ่อยครั้งเราเนะ่เวลาเป็นคนป่วยเราก็คิดว่าจะทำอะไรกับคนไข้แต่ที่จริงคนที่ควรทำหรือควรได้รับการแนะนำก็คือพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดอนะาารประเวศวศ ร, รีเคยเล่านะมันจะมีคนไข้ประเภทว่าใจสัน่นหายใจไม่เต็มที่นะปวดหัวนะมันเป็ น, ปนโรคเรือง เป็นมีอาการที่คล้ายๆกันหลายคนแล้วก็จำนวนมากเป็นผู้หญิงหมอในบางคนเนี่ยปวดหัวเลยนะเพราะว่าสั่งยาไปนะก็ไม่หายนะบันทึกบันทึกการตัวนี่ก็หนาเป็นนิ้วเลยนะไม่หายแต่พอมาถึงมือคุณหมอโระเวนี่นะ แกก็จะซักประวั ต, ติแล้วก็เพราะว่าคนไข้เหล่านี้เนี่ยถ้า ม, มีปัญหาเกี่ยวกับสามีก็มีปัญหาเกี่ยวกับลูกอย่างเช่นสามีเจ้าชู้หรือว่าสามีติดพนันรายได้ไม่พอเป็นหนี้เป็นสินสิ่งที่คุณหมอทำก็คือให้คนไข้ไปคราวหน้าให้พาสามีมา พอสามีมาก็พูดแนะนำสามีนะว่าเนี่ยภรรยาคุณเป็นอย่างนี้นะแล้วกอให้รักภรรยามากๆแล้วก็ไอ้ที่เคยไปมีกิ๊กมีอะไรก็ให้พยายามลดซะหรือว่าที่เคยเล่นไพก่ก็ให้เล่นน้อยๆหน่อยแล้วบอกว่าถ้าสามีทำตานะคนไข้ดีขึ้นเลยไม่ต้องมาหาหมอเลยบางที แค่ไปบอกแค่คนไข้รู้ว่าเนี่ยหมออยากเจอสามีเนี่ยแกก็ดีใจแล้ว แ, แค่หมอบอกเนี่ยคราวหน้าให้ไปเรียกสามีมานะมันมีอาการดีขึ้นเลยอันนี้เราว่าเยียวยานะไม่ได้เ ย, ยี ย, เ ย, เเยวยาคนไข้เนี่ยให้เยียวยาคนไข้ด้วยการแก้ที่คนรอบข้างหรือคนใกล้ชิดถ้าพอคนใกล้ชิดเปลี่ยนพฤติกรรม คนไข้ก็ดีขึ้นเลยอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจมากโดยเพราะกรณียังเด็กผู้ชายคนนี้นะสิ่งที่ขาดคือความรักแเวลาถามแม่นะหรือถามพ่อทุกทุกคนก็ตอบว่ารักลูกเท่ากันนะแต่เกื้อจีกแกก็แกก็วัยนะรักลูกเท่ากันแล้วด่าเท่ากันหรือว่าวด่าไม่เท่ากันนะด่าลูกชายเยอะมากนะสาวไม่ค่อยอว่าเท่าไหร่ ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ความรักที่เท่านั้นนะที่เปลี่ยนแปลงเด็กนะให้เขามีพฤติกรรมหรือว่ามีอาการที่ดีขึ้นนะผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคนแก่นี่เขาก็เปลี่ยนแปลงตัวอเองได้เหมือนกันน ะ, ะถ้าเขาได้รับความรักจากคนรอบข้างโดยเพราะความรักจากลูกเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อคุณนานะอังคนามาลังสันนี่เราว่าเนี่ยตั้งแต่เล็กเลยนะ ก็ เ, เห็นแม่เนี่ย เ, เห็นแม่เนี่ยถูกพ่อว่าพ่อเนี่ยวันวันไม่ทําอะไรนะไม่ทํางานเป็นะเล่นแต่ไพ่รายได้ของพ่อคือรายได้จากการเล่นไพ่งานการไม่ทํากลับมาบ้านบางทีก็ว่าทะเลาะกับแม่แต่พ่อนี่ชอบว่าแม่เป็นประจำรู้กันเลยรู้สึกไม่ดีกับพ่อนะตั้งแต่เล็กเลยแล้วก็ก็เริ่มเหินทางกับพ่อ ไม่ค่อยอยากจะพูดคุยกับพ่อเท่าไหละแล้วก็คงจะมีอาการหน้าเบื่องกับพ่อมาตั้งแต่เล็กตอนหลังพอเธอแต่งงานมีครอบครัวแล้วมีลูกลก่อนที่จะมีครอบครัวเธอก็รอแหวแนะว่าแฟนนี่จะมีนิสัยอย่างพ่อไหมคือประสบการณ์เกี่ยวกับพ่อมันฝังใจเธอมากแม้กระทั่งแต่งงานก็นแล้วก็ยังคอยระแวงว่าเนี่ยแฟนจะกลายเป็นเหมือนแบบกับพ่อไหม มันมีอาการเขาต้องจับผิดเลยนะ จ, จับผิดสา ม, มีพอมีลูกก็อ่าแกรกเลี้ยงลูกด้วยความรักนะแต่วันหนึง่งเขาพบว่าตัวนี้ชอบวาลูกบางทีก็ตีลูกมันได้สติก็นึกว่ามาได้คิดว่าเ้เรา เ, เราทํากับลูกนี่เหมือนพ่อทํากับแม่เลย ไม่ชอบที่พ่อทำกับแมนะ่แต่ตัวเองนี่กลับมาทำกับลูกมันก็เกิดความฉุกคิดขึ้นมาแล้วก็ใครครวญนะเกี่ยวความสัมพันธะ์ที่ตัวเองมีกับพ่อมานึกย้อนไปย้อนไปก็มาพบความจริงอย่างนี้ก็คือว่าตัวเองเนี่ยนะ ก็มีปฏิกิริยากับพ่อหลายอย่า ง, ท, งทั้งที่พ่อนี่ตอนเด็กตอนเล็กตัวตอนที่ตัวเล็กนี่พ่อก็ดีเอาใจใส่ดูแลลูกแพ่อนี่รักลูกมากไปส่งปินโตให้กับลูกที่โรงเรียนทุกวันนะทำอาหารที่ลูกกินเวลาเล่นไพ่ได้ก็ซื้ออาหารอร่อยๆมาให้ลูกแม้กระทังหูฉลามแต่ว่า เรื่องจากความไม่ชอบพ่อนี่ยก็เลยเหมือนตึงกับพ่อพ่อชวนมากินข้าวก็ปฏิเสธพ่อชวนไปเที่ยวก็บอกไม่อยากไปพ่อซื้ออาหารมาให้ก็บอกไม่อยากเธอก็มาทบทูนเนือพ่อเนี่ยพฤติกรรมที่มีต่อพ่อแบบนี้มันมีส่วนนะทําให้พ่อนี่เริ่มใช้คำว่าเหินห่างไม่ค่อยสูงสิงกับเธอพอเธอพอเธอโตขึ้นก็ไม่ค่อยสูงสิงกัน แล้วพ่อก็เริ่มอยู่แบบแห้งๆอยู่แบบเหนื่อยๆเฉยๆพอมันนึกย้อนไปดูก็พบว่าก็คว่าเนี่ยที่พ่อเป็นอย่างนี้สงสัยนะเป็นเพราะตัวเธอเองด้วยนะที่มีความรู้สึกไม่ดีกับพ่อคล้ายๆว่าเป็นการผักพ่อให้ให้เริ่มเืินทางไม่ใช่กับพี่เองวตกับคนในครอบครัวด้วยถ้าเธอก็เริ่มเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนมุมมองนะ เริ่มที่จะมองแล้วก็ปฏิบัติกับพ่อในแง่ที่ดีมากขึ้นพยายามพูดคุยกับพ่อชวนพ่อไปเที่ยวพอรู้ว่าเนี่ยไอ้ไอพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยมันคงมีส่วนในการผลักดันให้พ่อเป็นอย่างนี้แตนะ่ต่อหลังเนะี่ยพอเริ่มได้คิดมีสติฉุกคิดขึ้นมาก็เลยทันมาใส่ใจกับพ่อมากขึ้นชวนพ่อไปเที่ยวนะพูดคุยกับพ่อนะ บอกรักพ่อแล้วก็พยายามทำควเข้าใจนะที่พ่อไปเล่นไพ่แต่ก่อนนี่พ่อมาขอเงินไปเล่นไพ่ก็ทำหน้าบึ้งตอนหลังก็ให้ไปเลยไม่พ่อไม่ทันไม่ต้องไม่ต้องมาขอไม่ทันจะมาขอนะพ่อลูกก็ให้เงินพ่อไปเลยพ่อจะเอาเงินไปทำอะไรก็แล้วแต่พ่อแล้วกันบอกว่าเธอได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของพ่อนะแล้วพ่อเนี่ยกลับมากลับมา กลับมาเรียกว่าอ่อนโยนกับแม่มากขึ้นที่เคยแห้งแล้งบึนตึงก็กลับมาใส่ใจยิ่งตอนหลังแม่มสบายแลวพ่อก็ไปดูแลแม่จะให้กำลังใจแม่จับมือแม่จูงมือแม่เดินเล่นเดินออกกำลังกายว่างๆก็ขับรถพาแม่ไปเที่ยวกลายเป็นพ่อที่อ่อนโยนแล้วก็อ่อนหวานนะกับสามีแล้วก็กับลูกมากขึ้น ตอนหลังมีพ่อก็เลิกเล่นไพ่เลยนะที่เคยติดะติดมาสี่สิบห้าสิบปีเพียงลูกขอร้องว่าเลิกเถอะเพราะว่าตอนนี้ลูกก็เลี้ยงตัวเองได้ทุกคนแล้วลูกก็มีเงินพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวไม่มีความจาเป็นต้องใช้เงินถึงตลอดต้องไปเล่นไพ่แล้วพักได้แล้วแม่พ่อก็เชื่อนะเลิกทันทีอยู่ถ้าเล่นก็เล่นนิดหน่อยแล้วสุดท้ายก็เลิกได้ในที่สุด นเธอพบว่าเนี่ยอการที่พ่อเนี่ยนมีพฤติกรรมมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปกับพราะความรักที่ได้จากลูกความรักทําให้พ่อนี่เปลี่ยนไปแต่จริงๆไม่ไม่ได้จะเปลี่ยนกลับมาเป็นคนเดิมกลับมาเป็นคนที่อ่อนหวานกลับเป็นคนที่อ่อนโยนภรรยาอ่นานี่แกเคยเล่า ว, ว่าเนี่ยตอนเด็กๆ เ, เนี่ยคนเขาเล่ากันนะว่าพ่อหรือเนี่ยรักเมียมากเลยนะ แต่ไม่เคยเชื่อนะเพราะว่าไอ้ที่เห็นนี่แตนะ่พ่อว่าแม่เป็นประจําแต่ตอนหลังพ่อแก่ตัวก็เออเห็นจริงๆนะว่าพ่อนี่รักแม่มากไอ้ที่เข้าร่หลือกันนะสมัยที่แต่งงานกันใหม่ๆแต่มันก็กลับมาเกิดขึ้นอีกในในวัยชราอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่เชื่อเห็นว่าให้ความรักมันสามารถจะนะเปลี่ยนแปลงคนได้ ไม่ว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าช่วยรักษาอาการเจ็บอาการป่วยอย่างที่เกิดอจิแก้ว่าไอความรักนี่มันเป็นยาพิเศษมากมันช่วยเยียวยาเปลี่ยนแปลงทั้งอาการทางกายแล้วก็พฤติกรรมที่แสดงออกของคนเราหรือผู้หญิงก็คือว่าที่ป่วยเนี่ยเพราะว่ามันขาดความรักขาดความรักถ้าเป็นลูกก็ถูก แม่ถูกพ่อด่าถูกครูว่าถูกคนในหมู่บ้านต่อว่าดูถูกวางลาลจะไม่ปวดหัวนะแต่ว่ามีพฤติกรรมแบบเป็นพวกอันธพาลก้าวร้าวพวกอันธพาลวัยรุ่นนะที่ทำตัวน่าระอาพวกนี้นี่สาวไปจริงก็อาจจะพบ ว, ว่าขาดความรักพอได้รับความรักพอได้รับ การยอมรับขึ้นมานี่มันดีขึ้นเลยนะมีเคยมีคนรู้จักเนี่ยก็ไปไปจัดค่ายนะคนคนนี้เคยเป็นพวกวัยรุ่นไปแก๊งสมุไรตอนหลังก็กลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วก็มีปีปีหนึ่งพุทิการเนี่จัดโครงการเพื่อว่าให้ทุนส น, นับสนุนกิจกรรมที่ดีๆที่มัน ส่งเสริมให้คนเนี่ยเป็นจิตอาสาแล้วก็เยียวยาความทุกข์นะด้วยการทำดีนะวัยรุ่นคนนี้ก็เสนอทำค่ายและคนที่จะช่วยมาค่ายคือพวกที่เคยพวกที่กำลังเป็นวัยรุ่นประเภทที่ชอบก่อกวนนะตั้งตัวเป็นแก๊ง ต, ตอนนั้นมันมีในในในถิ่นของเขามันมีอยู่สองแก๊งนะที่ไม่ถูกกัน แล้วก็ชอบทะเลาะเบาแวงกันบางทีก็ยิงแทงกันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแกก็อยากจะเอาคนกลุ่มนี้แหละนะสองกลุ่มนี้มามาเข้าค่ายมาดัดนิสยัยที่จริงค่ามนก็ไม่ได้กี่วันนะแค่สี่วันไอ้ตอนที่ไปชวนไอ้วัยรุ่นสองแกงนี้มานี่ไม่มีใครอยากมานะแต่เกรงใจคนชวนก็เคยเป็นรุ่นพี่นะนับถือกันอยู่ ในตอนที่มาเข้าค่าแต่ละคนก็เตรียมนะเตรียมสนับมือเตรียมอาวุธเพราะว่าจะต้องไปเจอกับคู่ปรับไม่รู้ว่าจ ะ, ะถูกทำร้ายหรือเปล่าก็ต้องเตรียมตัวป้องกันเตรียมอาวุธป้องกันถ้าจะขายก็คงขาดแต่ปืน แ, งแรงๆลันนะตอนที่พวกนี้มาค่ายในชาว บ, บ้านแถวนั้นก็ พี่ตกกังวลมากว่ามันจะตีกันหรว่ามันชอบตีกันเป็นประจำก็เกิดจะตีกันหลายครั้งนะเพราเขมรกันให้พวกนี้มองหน้ากันก็ไม่ได้แต่ว่าลูกพี่ก็เอาอยู่นะค่ายก็จบลงโดยที่ไม่มีเรื่องชกตีนะหรือว่ายิงแทงกันชาวบ้านก็ก็ดีใจแล้วก็ออกปากชมนะวัยรุ่นกลุ่มนี้นะว่ามัน ทำตัวดีเรียบร้อยนะก็มีคนนึงนะปลื้มมากเลยปลื้มมากที่จะรับคําชมเพราะว่าไม่เคยมีคนชมเลยเสร็จค่ายแล้วเนี่ยมันก็มีกิจกรรมอันหนึ่งที่ต้องทําร่วมกันนะอันนี้เป็นจิตอาสาลนะแล้วก็กลุ่มนี้ก็เลือกไปเป็นเป็นเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสานะตามด่านช่วงปีใหม่นะมันมี มันมีคนเมาเยอะก็เลยตั้งด่านตำรวจก็ตั้งด่านนะเพื่อดูว่ามีคนเมาไหมไอ้ัวรุ่นพ้นนี้ก็มาเป็นจิตอาสาช่วยตำรวจตำรวจที่แล้วก็งงนะเพราะว่าไวรุ่นพ้นนี้มันคือคู่ปรับกันนะแต่วันนี้กับนิสัยดีนะมาเป็นจิตอาสาช่วยตำรวจชาวบ้านเห็นชาวบ้านก็ชมนะใอ้หนุ่มคนนี้นะคนที่ว่านี่หมายถึงคนที่ ไปเข้าค่ายแล้วก็ได้รับคําชมจากชาวบ้านเนี่ยพอเป็นจิตอาสาเนี่ยชาวบ้านก็เอาน้ํามาให้แล้วก็พูดจาชมบอกว่าหลังจากกิจกรรมนี่แล้วนะมันก็กลับตัวกลับใจเลยนะไม่ก็ไม่ไปเข้าแกงสมุนไพรไม่ไปเข้าแกงลดสิ่งแล้วก็หันมาไปช่วยเหลือเป็นจิตอาสาตามที่ต่างๆ อเปลี่ยนไปนเลยอที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยสามารถทําความดีได้แต่ก่อนเนี่ยเชื่อตัวเองเนี่ยเอาดีไม่ได้ไม่คิดว่าตัวเองจะทำความดีได้เพราะว่าถูกคนดา่าถูกคนต่อว่านตั้งแต่พ่อแม่นะครูพ่อเลี้ยงก็เลี้ยงไม่ดีอชาวบ้านก็ว่าดูถูกคนเรานี่ถ้ามัน เด่นทางดีไม่ได้นะ้ันก็หันไปเด่นทางไม่ดีไปเข้าแก๊งมันก็ได้รับการยอมรับเพราะได้รับการยอมรับก็เกิดความรักเกิดความผูกพันเกิดความพักดีนะเพื่อนหรือหัวหน้าสั่งให้ไปทําอะไรไปตีใครไปแทงอะไรก็ไปเพราะว่าเป็นที่ที่เดียวที่ทําแล้วได้รับการยอมรับแต่พอตัวเองมาทําความดีไปจิตอาสาเ อ, อชาว บ, บ้านเขาก็ยอมรับชาว บ, บ้างเขาก็ชมมันก็เกิดเห็นว่าเอ้เราก็ทําความดีได้นะ เกิความรู้สึกได้รับการเติมเต็มขึ้นมาพอได้รัการเติมเต็มเนจิตใจฝ่ต่ําก็บรรเทาลงเนยะจิตใจฝ่ายดีมนก็ได้รับการอัดฉีดได้รับการเพิ่มพลังก็สามารถที่จะหันมาทําความดีได้ธรรมชาติคนเรามันต้องการนะความรักความใส่ใจแล้วก็ความยอมรับนะโดยเพราะจากคนใกล้ชิดนะถ้าลูกไม่ได้รับจากพ่อแม่ลูกก็ ป่วยหรือมิฉะนั้นก็เกเรไปเลยพ่อนม่ท <Doo> ีาไม่รับความรักจากลูกก็อาจจะกลายเป็นคนที่เฉื่อยชาไม่มีชีวิตชีวาหรืออาจจะเป็นคนก้าร้าวแต่พอได้ความรักก็กลายเป็นเหมือนกับต้นไม้นะที่เดิมมันเหี่ยวเฉานาะพอได้น้ำมันก็ค่อยๆค่อยๆมีชีวิตชีวาค่อยๆเขียวค่อยๆสดใสขึ้นมา จนเป็นต้นไม้ที่สามารถจะออกดอกหรือว่าให้ผลได้อันจะเรียกว่าปล่ยความรักความเมตตามก็เป็นโอสถก็ ม, มีคนไข้จำนวนมากเลยนี่พอได้รับความดูแลใจใส่าจากจากคนไข้นี่ถ้าจากหมอจากพยาบาลนี่บางทีดีขึ้นเลยนะโดยที่ไม่ต้องให้ยาด้วยซ้ําหรือว่าสามารถจะอยู่กับความเจ็บปวดได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้อง ยัญญาระงับปวดน่ดแต่ว่าไปานี้่ไม่ใช่เยียวยาคนอื่นได้เท่านะั้นบางทีเยียวยาตัวเองได้ด้วยนะถ้าเรามีเมตตากับตัวเองด้วยนอกจากการที่ได้รับความเมตตาจากคนอื่นแล้วบางทีการให้ความเมตตากับตัวเองก็สําคัญเหมือนกันเพราะหลายคนก้าวร้าวเพอะรู้สึกคือมีความรู้สึกผิดอยู่ในใจความรู้สึกผิดมันทําให้เป็นทุกข์พอเป็นทุกข์แล้วมันก็กลายเป็นก้าวร้าว แต่พอรู้จักให้อภัยตัวเองเมตตาตัวเองเมตตาว่าเนี่ยคนเรานี่มันผิดพลาดกันได้อาจจะเคยผิดพลาดในอดีตมาแทนที่จะโกรธตัวเองโบยตีตัวเองก็ให้อภัยให้มาเริ่มต้นกันใหม่มันก็กลายเป็นการเยียวยาตัวเองได้เหมือนกันาการให้อภัยตัวเองการแผ่เมตตาตัวเองก็สําคัญ นอกหนือจากการทำความดีอย่างที่สวนมื่อสักู่เนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลเมื่อรักตนหวังอยู่เฉพาะขุนเมืองสูงเมื่อรู้ึกถึงคําสั่งของผู้เจ้าอยู่จงทําความเคารพ <c oughs> รพระธรรมเคารพพระธรรมเนี่ยไม่ใช่กราบไหว้เดียวทำความดีด้ยวยเมื่อทําความดีทําความดีเพราะอะไรเพราะว่ารักตัวเองรักตัวเองเนะก็ต้องอ่าทํำสิ่งดีๆให้กับ ได้กับตัวเองรักตัวเองก็ต้องหวังจะให้จิตใจได้รับการพัฒนาดัาการทำความดีนี่ก็เป็นหนทางการรักตัวเองอย่างแต่ที่ขาดไม่ได้คือการให้อภัยตัวเองหรือแผ่เมตตาตัวเองด้วยเพราะมันจะช่วยเยียวยาเนี่จิตใจและร่างกายของเราทามนิพพานนี้กลับพระ